แต่ต่อมาภายหลังเมื่อพระเจ้าประสิทธิ์ที่กุศลท่านปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็ศีระก็กระปรี้กระปรากระชับกระเจงขึ้นต่อการลดอาหารเนี่ยทุนเราจึงจึงทูลพระพุทธเจ้าว่าเวลานี้พระองค์สามารถวิ่งจับเสือได้แล้วอสามารถวิ่งจับเสือได้แล้วก็พระน่าสนใจนะท่านอาจารย์ในเรื่องของการ การรับประทานอาหารหรือว่าการอุปกรณ์การกินนี่ละกันนะฮะอถ้าเนี่ยก็หนึ่งก็มีทุกน้อยถ้ากินพอประมาณกินแต่พอดีโรคภัยไข้เจ็บมันก็ไม่มีเมื่อไม่มีก็ความแก่ก็อาจจะมาช้านะฮะถ้าบางคนนี่ยเกษียณแล้ววันนี้เจอคนรู้จักคนหนึ่งเกษียณมาตั้งหลายปีแล้วผมต้องดูว่าเขาถามว่าเกษียณแล้วยังเขาบอกเขาเกษียณมาหลายปีแล้วเขาดูหน้าแล้วเหมือนก็ยังไม่เกษียณอ๋อค่ะ ถ้ายังผมก็ยังดำฟันก็ยังบริบูรณ์ใบหน้าใบตาอะไรก็ดูจะทองใสครับอันนี้ไม่ทราบว่าจะเป็นเพราะว่าหารอาหารพอประมาณหรือเปล่าเพราะน่าจะเกี่ยวด้วยนะฮะแต่มันค่อนข้างจะทําทยากหน่อยนะครั บ, รบเพราะว่าคนส่วนมากก็ตามใจตามใจปากตามใจลิ้นมานานนะครับตั้งแต่ดเด็กมาจนเป็นหนุ่มเป็นสาวมาจนถึงอายุวัยกลางคนอะไรเนี่ยนะครับ ก็ตามใจปากตามใจลิ้นติดในรถอะไรเนี่ย<ะ>ครับก็ามาเป็นเวลานานแล้วมันก็เป็นความเพลิดเพลินเป็นความสำราญอย่างหนึ่งของมนุษย์นะครับก า, าบร ท, าที่ได้กินอะไรต่ออะไรโบราณบกาพูดยวาบอกว่าถ้าหิวให้กินใช่ฮะถ้าหิวให้กินถ้าอยา ก, กอยากกินกินเมื่อหิวอยากกินเมื่ออยาก<ะ>เมื่อหิวแล้วก็กินเมื่ออยากจะไปกิน เพาะบาทีคนเราเนี่ยกินอะไรไม่ได้กินเพราะหิวหรอกกินเพราะอยากอไปทําร้านตามพัทคารอะไรตไรถ้ากินเพราะหิวก็สองจานก็อิ่มแล้วต่งข้าวผัดอะไรตอะไรก็อิ่มนะแต่ว่าอที่สิ่ง น, นี่เป็นสิ่งทีเขากินเพราะอยากนช่ไอยากโน่นอยากนี่นั่นถ้าเผื่อว่ามาฝึกผลเรื่องนี้กันบ้างนะ ค, คือว่า ให้ประชาชนเรามาฝึกฝนเรื่องการไม่ตามใจตัวเองในเรื่องการการกินการเป็นอยู่ในนี้ก็จะได้ประโยชน์ทั้งทั้งทางสุขภาพแล้วก็ทั้งทางเศรษฐกิจเยอยเยอะเลยแล้วก็มันจะถ้าเพื่อเราเผยแพร่ให้ดีหรือว่าชักชวนกันให้ดีมันจะมันจะไปได้ทั่วประเทศนะครับครับจะช่วยประหยัดช่วยประหยัดครับ คือว่าพอสุขภาพไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆหรว่าสุขภาพดีนะฮะมันก็ช่วยประหยัดอะไรไปได้เยอะเลยได้หมดเลยโรงพยาบาลโรงพยาบาลอะไรก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากทางแพทย์ทางหมอทางพยาบาลทางอะไรมันก็ลดลงได้หมดครับได้หมดเพราะฉนั้นไอ้เรื่องที่ว่าไอ้โรคไัเข้าทางปากนี่ก็เป็นสิ่งที่ควรจะคํานึงและต้องระวัง แต่ทีนี้มันเป็นความสุขสาราญอย่างหนึ่งของคนในเรื่องการกินเพราะมันจะชวนกันไปเลี้ยงเพราะว่าจะนัดพบอะไรกันก็ต้องไปกินไปเลี้ยงเวลาจะเจราจาความอะไรหรือว่าบริษัทต่างๆที่จะไปตกลงอะไรกันก็ต้องชวนกันไปกิน <Yeah. S 1> ให้มีความสุขสําราญไว้ก่อน เอาทึงจะเจรจากันรู้สึกจะตกลงอะไรกันง่ายขึ้นนะครับกินแล้วก็เลี้ยงแล้ท่านนะครับแต่จริงจรงแล้วในในชีวิตของคนไทยเราเนี่ยนะก็อืมวันเกิดก็เลี้ยงวันเกิดเมียวันเกิดลูกวันเกิดพ่อตาวันเกิดแม่ยาก็ทุอโอกาสเลี้ยงหมดเลยนะฮะครับนาทีถามว่าวันนี้เลี้ยงเนื่องในโอกาสอะไรแบบวันเกิดถามว่าวันเกิดอะไรวันเกิดใครเกิดอยากจะกิน วันเกิดเมื่อไหร่แต่ว่าเกิดอยากจะกินครับไม่ทราบอาจารย์ได้ยินเสียงผมชัดได้อย่างฮะจะยินชัดขึ้นครับครับชัดขึ้นนะจะยินชัดขึ้นครับครนนี้อาจารย์จะเปิดสายยังครับก็ถ้าครับก็จะเปิดจะเปิดได้นะฮะค่ะคุณาคุณอาชลาวันสวัสดีครับคุณอัชราวันครับสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ สวัสดีท่านอาจารย์ทุกท่านนะคะสวัสดีท่านอาจารย์วสินด้วยค่ะสวัสดีครับเอ่จะขอรบกวนถามนิดนึงนะคะไม่รบกวนนะครับไม่รบกวนอายจะอคือว่าจะพูดเกี่ยวกับพระนี่ค่ะในเรื่องกินน่ะค่ะอ๋อค่ะอ๋อลองว่าดิอ๋อมะงัยคือว่าเๆเคยอ่านอ๋อไม่ไม่ไม่ไม่ได้อะไรลินแรงเคยอ่านไม่แต่ไม่ทราบนะคะว่าอ่านจากหนังสือเล่มไหนเกี่ยวกับธรรมะนี่ยค่ะว่า ที่พระพุทเจ้าท่านพระองค์ทรงบัญญัติว่าให้พรเนี้ยแค่คสาเหตุหนึ่งก็คือว่าเพื่อเพื่อให้ไม่คือพูดคําธรรมดาชาว่านเนี่ยคะ่ะคือไม่ให้อ้วนแต่ไม่ทราบว่านเนี้จริงเท็จยังไงนะคะแต่ก็รู้สึกว่าถ้าสมมติภาพที่สุดเนี่ยท่านมีรูปร่างที่ไม่อ้วนมากนะักน่าจะดูดีกว่าแต่ปัจจุบันเนี่ยก็เห็นว่ามีพระเนี่ย ที่มีรูปร่างอ้วนๆเยอะแยะเลยอ่ะแต่ก็ไม่ทราบว่าอาจารย์ว่าสิน์มีความเห็นว่ายังไงนะคะแล้วก็ข้อที่สอคือที่สักครู่ที่อาจารย์บอกว่ามีกินเมื่อหิวกินเมื่ออยากใช่ไหมคะอย่างก็หิวกินม่หิว ินเมื่อหิวมือคือมีคือว่าบางคนกินเพราะหิวบางคนกินเพราะอยากใช่ไหมคะแล้วพวกที่กินอี่ดหินมือซ้ายถนนเนี้ยกินเพราะอะไรครับก็อยากเหมือนกันขอรบกวรถามแค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะเรื่องให้จนได้เลยครับครับคุณอัธราวันบอกว่าดูพระอ้วดแล้วก็ไม่ค่อยสวยเนี่ยไม่ทราบอาจารย์มองยังไงะ หรือสีต้องผอมนะฮะธรรมชาแต่ ว, าาจจว่าท่านฉันสองมือทําไมถึงอ้วนหรือว่าโดยปกติเขามักจะคนที่กินอาหารเย็นถึงจะอ้วนแล้ว็รือว่าถ้าเหตุแห่งความอ้วนมนันอาจจะมีหลายอยา<ช>่าง ไ, ไม่ใช่เฉพาะอาหารอย่างเดียวอ้วนตามธรรมชาติอั่นท่านหือกรร ม, มผ่านโดยคร<ช>ับหรื อ, รอว่าขอโทษนะครับ<ช>หรือว่าท่านฉันตอนเทนมากเกินไปเสอาไว้ตอนเย็นหรือว่า ตอนเย็นท่านอาจจะฉันพวกน้ำอัดลมน้ำอะไรที่มีน้ำตาลเยอะๆอนะครับบาน ท, ท่านก็ฉั<ว> น, นนมท่านอาจารย์นะฉัะนนมแล้วก็ใส่โอนตินโดยไม่ไม่ไม่ใส่น้ำเลยเด็กาวนะครับนมข้นน่ะนะฮะแต่ที่พระพุทธเจ้าท่านอที่คุณอาจารย์เราบัญญัมานะครับที่พระพุทธเจ้าท่านสรงบัญญัติบัญญัติไม่ให้ฉันอาหารตอนเย็นนี่ เหตุผลอยู่ที่ว่าประกันที่หนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องควบคุมราคานะครับควบคุมราคาอะครกันนะครับประการที่สองก็คือไม่ไม่ให้รบกวนชาวบ้านไม่อยากให้รบกวนชาวบ้านก็เป็นการประหยัดทางเศรษฐกิจอีกในเมืองนัท่านอาจารย์ใช่ครับแล้วสมัยก่อนนี่มีสะชันตอนเย็นแล้วไปวินณบาตตอนเย็นด้วยนะฮะแล้วก็บางทีก็ไปมืดมืดก็ไปเจ้าเหยียบปัวเขามั่งไปผู้หญิงมาตากผ้าตอนหนึ่งคืนนึกว่าผีหลอกบ้างอะไร อ, อก็เลยดา่าเอาเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็เห็นว่าไม่สมควรที่จะต้องต้องกันตอนเย็นก็ห้ามไม่ให้ชั น, ต น, นแต่จริงๆแล้วถ้าหากว่าดูตามปริมาณความต้องการในร่างกายสองมื้อในพอดีนะท่านอาจารย์เป็นเรียกว่าในส่วนที่มื้อเย็นเนี่ยเป็นส่วนเกินของร่างกายไปละถ้าถ้าทานอาหารน้อยหมายความว่าทานน้อยทุกมื้อนะครับครับ เชาก็น้อยกลางวันก็น้อยตอนตอนเย็นก็าานได้แต่ทานให้น้อยอน้อยบุกมือมถ้ามาลอยสาย<แ>คุณไปรอดตัวนี้คุณไม่รอดครับอ่อสวัสดีครับ<แ>สวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์วิทยากรแล้วก็ท่านอาจารย์ผูาาา้ดำเนินรายการนะครับครับคือผมอยากจะให้ท่านอาจารย์วิทยากรช่วยอธิบายเรื่องขันห้าครับใน รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาใช่ไหมครับก็พอเข้าใจแต่มันไม่ลึกซึ้งไม่ละเอียดนะครับก็อยากอยากจะเข้าใจให้กระสตั้งแจ้งนิดนึงนะครับพอจะได้ไหมครับก็ได้จะได้ได้ครับเดี๋ยวผมอธิบายนะครับเรามาวิจุนะครับครับพอดีครับอธิบายให้ฟังโดยย่อนะครับรูปก็คือรูปเนี่ยนะครับที่เราเห็นด้วยตาบางไม่เห็นด้วยตาบางที่ไม่เห็นด้วยตาก็คือรูปทิพย์ไม่เห็นด้วยตาเนื้อก็ยังคงเป็นรูปอยู่ เวทนาก็คือความรู้สึกเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างก็เป็นเวทนาสัญญาก็ความจำจำได้ไหมรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจาเนี่ยความจำต่างๆนี่เป็นสัญญาสัางคานก็ความคิดปรุงแตง่งความความนึกคิดนะครับ เ, เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของทางทางจิต ควานึกคิดต่างๆนี่ก็เป็นสังขารสังขารในขันหานั้นไม่ใช่รูปร่าง <Yeah. S 2> รูปร่างมันอยู่ที่รูปแล้วหมายถึงความนึกคิดความคิดรูปแต่งอันนี้เรียกว่าสังขารแล้วก็วิญญาณก็คือจิตก็ก็มีมีรูปธรรมนามธรรมนามธรรมก็สี่อย่างข้างหลังก็เป็นนามธรรมแต่ <Yeah. S 2> ข้างต้นรูปก็คือเป็นรูปธรรมทีนี้เขาถ้าจัดเป็นจิต กับเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารมันก็เป็นเจตสิกวิญญาณวิญญาณก็<า>เป็นจิตครับรูปก็เป็นรูปครับก็มีเท่านี้ครับครับผมครับแ้อ า, าจารย์ในรเรื่องของในการพูดถึงเรื่องพระฉันอาหารสองมื้อเนี่ยนะครับแต่เป้าหมายจริงๆก็คือต้องการควบคุม ร, ราคะเนี่ยนะครันี่ประการหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นเป้าหมายหลัก ใช่ไหมฮะเป็นเป้าหมายสําคัญเป็นเ้าหมายสําคัญถ้าหากว่าการปฏิบัติธรรมยังมีความเพลิดเพลินในเรื่องของการทานอาหารไม่ว่าเช้ากลางวันเย็นก็จะทําให้การปฏิบัติธรรมนี่ไม่น่าจะก้าวหน้าขอขอขอแทรกนิดหนึ่งครับอาจารย์นะ ค, คืออถ้าเื่อควบคุมลิ้นได้นะครั บ, รบก็จะควบคุมราคาได้ด้วยครนะอะ น, นี้หลักของเรามีอยู่อย่างนี้ด้วยนะฮะมันจะเป็นไปได้ในพระที่ ไปปฏิบัติอยู่ในป่าพระอาหารก็มีไม่เพียมากบางทีก็ฉันใบไม้ใบหญ้าไปเนี่ยมันจะเป็นตัวพวกภูมิรลัท่าไปในตัวได้ครับมีส่วนมีส่ว น, ว น, นเพราะนั้นในสมัยก่อนครับพระพอเรียกนกรรมาฐานเสร็จเจลาพุทธเจ้าเข้าไปปฏิบัติทำในป่าในไร่ตราไร่ของท่านไปอย่างน้อยในป่าก็จะไม่มีพิษภาคารมับแล้วก็ อ ท, ที่สำคัญอีกประการหนึ่งผมคิดว่าจะสําคัญไม่น้อยเหมือนกันคือว่าไม่ไม่ไมต้องการให้ไปรบกวนชาวบ้านมากเกินไปเพราะว่าเพียงแต่ชาวเพนนีท่ารบกวนเยอะอยู่แล้วนะชาวบ้านบ้างไม่เช่นนั้นก็จะเหมือนกันไปนหมดเลยคือไม่มีข้อแตกต่างพรบวชแล้วก็ยังประพฤติอะไรเหมือนฮนนะมันไม่มีข้อที่สี่แต่ท่าอาจารย์มีคนก็เคยถามผมว่าพระเนี่ย หุงหาอาหารทำกับข้าวหานตัวเองเนี่ยถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอยังไงฮะท่านอาจารย์อันนี้ในวินัยก็บอกไว้ชัดเจนแล้วเนี่ยฮะอันทันโตปะ ก, กะให้สุกเองอันโตวุฒาเก็บไว้ครั้งเจ็บไว้ในกุฏิมันทําไม่ได้อยู่แล้วครับอนอกจากว่าเราจะอนุโลมกันอนุโลมกันว่าท่านไปอยู่ในที่กันดารลําบากไม่มีผู้ดูแลอะไรอย่างนี้นะฮ ะ, ฮะก็ทําเอง แต่ว่าพูดถึงผิดมันก็ผิดอยู่แล้วนะครับครับต้องยอมรับว่าผิดเลฮะต้องยอมรับว่าผิดครับต้องยอมรับว่าผิดแต่ว่าจําเป็นต้องทําก็ทําไปแต่ว่าจะบอกว่าไม่ผิดไม่ได้ในกรณีที่พระท่าน <c oughs> เดินทางแล้วก็ไปสั่งอาหารตำร้านมาสานเองอย่างนี้ไม่ผิดเลยฮะอ๋ออันนั้นอันนั้นท่านทํากันอยู่เป็นปกติอยู่แล้วนะครับคือสั่งอาหารตำร้านมาจั่นเองก็ ทำได้ครับครับผมได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์วสินนะคะฮัลโหลครับครับยินดีครับค่ะเออสกิจิตใจที่ท่านท่านอาจารย์อธิบายถึงคําว่าเข้าไปในบ้านที่เย็นนะคะครับที่เป็นฟองรู้สึกของเทวานิพพานเนี่ยค่ะครับทีนี้ดีนี้ีฉันไม่เคลียร์ว่าเพราะว่าหมายความให้โายละเอียดเนี่ยยังไงถ้าช่วยก็นาอธิบายนิดหนึงได้ไหมคะ คือนิพพานตัวนิพพานเองเนี่ยไม่ไม่สุขไม่ทุกข์นะฮะค่ะอคนที่ที่ว่านิพพานเป็นสุขเนี่ยนั น, นเป็นสานวนที่พูดกันให้รู้พูดกันให้พอรู้ให้พอเป็นค่ะอา่าให้พอรู้ภาษาภาษาที่พอพูดกันได้นะครับค่ะให้พอคนรู้เรื่องค่ะเนี่ยแต่ว่าคนที่เป็นผู้ที่เป็นสุขก็คือคนที่ถึงนิพพานค่ะผู้ที่ถึงนิพพานเป็นสุข แต่ว่าเวลาพูดเราก็พูดว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็คือผูดที่ถึงนิพพานนั่นเองต่วนิพพานน่นเฉยตัวนิพพานไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สุขไม่ทุกข์ครับแต่นี้ที่นี้ก็ที่อาจารย์เปรียบว่ามันเหมือนเข้ากันไปในบ้านที่ที่เย็นที่เย็น น, น่นเอคือคําเปรียบอันนี้เนี่ยเด็กท่านไม่เข้ายังไม่เข้าใจเท่าไหร่ไม่ไม่ใช่ฮะคือไม่ได้เปรียบว่าอย่างนั้นหมายความมาตัวบ้านนะครับค่ะจะไม่ได้หมายความมานิพพานเป็นบ้านนะค่ะมาเข้าใจค่ะ เราเข้าไปในบ้านนะเราก็บอกว่าบ้านนี้เย็นค่ะแต่นี้บ้านรู้สึกไหมครับตัวบ้านรู้สึกว่าบ้านเย็นค่ะไม่รู้สึกบ้านนี้ร้อนจังเลยคบ้านก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ร้อนแต่คนที่เข้าไปนะครับคนที่พูดน่นร้อนรู้สึกร้อนแต่ว่าเราไม่ได้บอกเขาไม่ได้บอกว่าเขารู้สึกร้อนเขาบอกว่าบ้านบ้านร้อนค่ะอ่านะครับนี่ทราบว่าพอเข้าใจไหมคให้คุณปุชดาครับค่ะค่ะครับครับ ขอบคุณมากครับครับคครับสวัสดีครับคขอบคุณวิชัยสวัสดีคุณวิชัยครับครับสวัสดีครับครับเชินะฮะคือเมื่อกี้ได้พูดถึงเรื่องอุ้นะครถ้าเปรียบเหมือนว่าบ้านใหญ่นะฮะถ้าเปรียบเหมือนว่าตัวบ้านมันมีความรู้สึกแต่คนที่เข้าไปมีความรู้สึกเนี่ยอันนี้เนี่ผมว่าถ้าจะเปรียบให้ถูกถูกถูกแบบตามตามหลักเลยจริงๆนะฮะคิดว่าน่าจะเปรียบเป็นว่าคือ คนที่อยู่ที่นิพพานเนี่ยคือการหลุดแล้วสึงการเกิดคือไม่ลงมาเกิดอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นพรมหรือเทวดาหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะ น, นั่นแหะคือสุขที่สุดของพระคุณครับครับครับตรงนี้ขอขอเพิ่มเติมหนึงครับครับแ้วเชิญฮะฮัลโลขอเพิ่มเติมนิดหนึงนะครับรคือท่านที่เข้าถึงนิพพานแล้วแต่ยังต้องเกิดอีกก็มีเช่นว่าถ้ะะาโสดาบันถ้าสกทาคามีนะฮะ ท่านท่านเป็นผู้เข้าถึงนิพพานแล้วแต่ว่ายังไม่สิ้นภพสินชาติยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่พระอรหันนะครับที่เป็นครับผู้เข้าถึงนิพพานที่ไม่ต้องเกิดขอเพิ่มเติมเขาเพิ่มเติมนับก็คนที่ท่านที่ได้บรรลุพระโสุดาบันก็ถือว่าเข้าถึงกระแสนิพพานเหมือนกันเข้าถึงนิพพานแล้วเข้าถึงนิพพานแล้วเหมือนกันครับ แต่ว่าจะต้องอก็มีการเกิดอีกบ้างอาจารย์ผ่วยอาจารย์มีการเกิดอีกชาติเดียวบ้างสองสาชาติบ้างเจ็ดชาติบ้างครับคอาจารย์เนี่ยก็คงจะเหลือเวลาประมาณสักนาทีก็ป่าอาจารย์จะเพิ่มเติมอะไรเขาเรียนเชิญเลยครับก็คงจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับอาจารย์ครับก็เหลือเวลาสองนาทีครับครับ ขอทบทวนนิดหนึ่งอาจารย์นะครับข้อหนึ่งชนะความโกรธด้วยการให้อภัยข้อสองชนะความหยากยิจฉานะครับด้วยความเสียสละก็สามชนะความโลภด้วยความอดทนและสันโดษก็สี่ชนะความกลัวด้วยความกล้าหาญก็ห้าชนะความทนงตนด้วยความกรุณาครับก็หกชนะโรคภัยไข้เจ็บด้วยความพอประมาณในทุกๆเรื่อง ก็เจ็นะความง่วงด้วยความพอประมาณในอาหารแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้ประสบชัยชนะทุกอย่างตามที่กล่าวมาอย่างไรอีกประการหนึ่งนะครับก็เอาไว้เท่าน่าชนะความติดโรคด้วยการพิจารณาเหตุโทษหรือธรรมชาติที่ชั่วร้ายของโลกครับเอาไว้พูดกันเท่าน้าครับคขอบคุณอาจารย์มากครับครับสวัสดีครับ คุกัเรื่องอะไรดีฮะจันวัฒน์ศิลครับวันนี้ก็เรื่องเก่ายังไม่จบก็ไม่จบข้อหนึ่งฮะถ้าอเ่างั้นต่อซะให้จบเลยดีไหมครับก็เรื่องใจชนะแปดประการนะครับแปดวันนี้จะเป็นข้อที่แปดนะครับคครับบเอาชนะความติดโรคด้วยการพิจารณาให้เห็นโทษหรือธรรมชาติอันชั่วร้ายของโลกโรคโลกกับโลกะครับเอาชนะโรคครับ โลกเอาชนะโลกด้วยเอาชนะความติดโลกครับเอาชนะความติดโลกโลกล้อก้าลอลิงลอลิงลอลิงนะลอลิงกไกครับด้วยการพิจารณาให้เห็นโทษหรือธรรมชาติอันชั่วร้ายของโลกอครับเราก็จะคุยกันเรื่องนี้ต่อนะครับอย่างเนี้ย ก็ค่อนข้างจะสำคัญอยู่เพราะว่าสัตว์โลกก็เกิดมาในโลกเหมือนกับปลาเกิดในน้ำหรือว่าลิงเกิดในป่าไอสัตว์ป่ามันก็ติดป่ารันนี้ถ้าถ้าเรามาพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนเขาบอกว่าเอะเรา เรามองโลกในแง่ร้ายหรือเปล่าอ๋อไม่ละครไม่ไม่แง่ร้ายครับในทางปรัชญาเขาเรียกว่าเป็นพวกเพลซิมิสต์หรือเปล่าเป็นนิยมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหครับครับไม่เป็นเพลสิมิสต์นะครับครับเราก็บอกเอ๊ะเป็นทุกขานิยมออฟติมิสต์ก็ไม่เป็นนออฟตรงนี้ก็ไม่เป็นเพลสิมิสต์ก็ไม่เป็นครับสุนิยมทุกนิยมก็ไม่เป็นสุนิยมก็ไม่เป็นครับแต่ว่าเป็นอ เรียนลิสติกก็ได้ครับความเป็นจริงติกวิวมองตามความเป็นจริงคือว่าเรายอมรับกันไหมว่ า, าโลกนี้มันมีสิ่งชั่วร้ายอยู่ ม, มันไม่ใช่น้อยทีเดียว ค, ค, ครับดิฉะนั้นดิฉันั้นคนจะมีความทุกข์ได้อย่างไรครับถ้าจะ โดยทั่วไปโดยทั่วไปแล้วก็คนจะมีความทุกข์มากกว่าความสุขประการที่หนึ่งก็เพราะว่ามันมีธรรมชาติที่ชั่วร้ายของโลกอยู่ประการที่สองก็คือคนไปติดโลกเข้า<ะ>ใช้ลิงติดตังครับอาจครับอ า, อาอจารย์ก็ทราบกับเรื่องนี้ลิงติดตัง มันชนนะ่ะลิงมันชนอ่ามันเห็นท่อนไม้แล้วกล้านก็เอาตังหรืออย่างเหนียวไปไปเ่าเอาไวก้กระท่อนไป ม, มันก็อยากจะจับเล่นก็จับก็ไปติดมือที่หนึ่งเอามือที่สองไปแกะมือที่สองก็ติดอีกเอาเท้าไปไปแกะก็ติดอีกเท้าที่สี่ก็เอาไปแกะที่มือเท้าที่สามก็ติดอีกก็ติดหมด เอาปากไปกัดปากก็ติดอีก<ช>แปลว่าส่วนทั้งห้าก็ติดแล้กวกกลมเลยก็นมดเลยการเพื <c oughs> ่อติดตังํ<ช><ช>านองนั้นนะฮะทีนี้ก็ถ้จะถามว่าคนติดคําว่าติดโลกนี่มันติดอะไรของ<ช><ช>โลกก็โลกมันก็มีสิ่งยวยยวนนะครับก็คือกรรมอาฆณกับโลกกระทำอันนี้เป็นสิ่งสําคัญของโลก กรรมาคุณห้ากรรมาคุณห้ากรรมาคุณห้ากับโลคกระทำแปดนะครับโดยเฉพาะโลคกระทำส่วนที่เอเป็นอิดชัยลมอิดชัยลมเราเราไม่เราไม่ได้หมายความว่ามันเป็นส่วนดีหรือเป็นส่วนไม่ดีแต่ว่ามันอิดชารลมมันก็เป็นส่วนที่คนต้องการครับอันอิดชัยลมเป็นส่วนที่คนไม่ต้องการ ที่จะไปติดจะไปติดในส่วนที่ต้องการส่วนที่ต้องการแล้วก็อิทธาลมนี่นะฮะใช่ครับเดี๋ยวถ้าอาจารย์นะผมขอถามนิดหนึ่งมีคนก็ถามผมว่านะฮะเอ๊ะว่ากามไม่ดีเขาเรียกว่าการมาคุณเพราะว่าคุณของกามแล้วยังไงแล้วสมัยบอกว่าไม่ดีโอดีมากครับอาจารย์ครับคำถามนี้ครับ กรรมขอคุณไม่ได้แปลว่าคุณของกรรมไม่ใช่คุณของกรรมนะคุณะตัวตัวนี้ไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่าประโยชน์หรือว่าแปลว่าอะไรที่มันเป็นคุณในคามดีเป็นอะไรตัวอะไรไม่ใช่ไม่ใช่คุณความดีแต่มันแปลว่ากลุ่มกลุ่มกลุ่มนะกุมก็แค่กลุ่มได้เนี่ยนะเช่นว่าสุตะคุณะแปลว่ากลุ่มได้สุตตะคุณะแปลว่ากลุ่มได้อ๋อ มาลาคุณะแปลว่ากลุ่มดอกไม้อการมัคุณะก็กลุ่มของกามกลุ่มกามอ๋อฮะกลุ่มกามไม่ใช่ไม่ใช่คุณของกามนะไม่ใช่ครับครับไม่ใช่เดี๋ยวพอจะถึงข่าวที่จะแสดงถึงส่วนดีของกามนะครับพระพุทธเจ้าท่านก็ใช้คําว่าอัาทะไม่ไม่ใช้คําว่าคุณครับจะใช้คําว่าอัศทะเรียกว่าส่วนที่น่าชื่นใจครับ น่าชื่นใจแต่ถ้าถ้าพูดถึงโทษท่านก็จะพูดถึงอาร์ตินาวะเลยทีเดียวว่าโทษตรงๆเลยกามาทินาวะากามาทินวะโทษของตามใช่ครับ<ถ>ใช่ครับถ้าถ้าพูดถึงคุณก็อัศธาถ่าถ้าจะไปพูดถึงส่วนที่เป็นส่วนส่วนดีส่วนที่าน่าชืๆๆ่นใจครับก็เรียกว่า อ, าา <Room. S 2> อัศธาไม่ไม่เรียกว่าคุณคครับ <Room. Room. S 2> เออ่ เพราะฉะนั้นคำว่าคำว่ากรรมคุณไม่ได้หมายความถึงคุณของกรรมใช่มใช่ครับไม่ใช่กรรคุณของกรรมไม่บางคนเข้าใจนะฮะไม่ใช่อย่างนั้นครับแม้แค่คำนี้คำเดียวเนี่ยอาจารย์ก็อธิบายแยกแยกไปได้เยอะนะครับอ่าได้ไครับ ถ้าจะอธิบายนะครับแต่ในที่นี้ไม่อธิบายนอกเหนี้จะได้จอธิบายคำว่าการมคุณแล้วเรายังได้คาว่าอัศธานาการมาธีโนะกามาทีนวะหรือกามาทีนกใช่ครับใช่ครับที่ก็การที่คนติดโลกมันก็คือไปติดส่วนที่ดีของโลกส่วนของโลกหรือว่าเยื่อของโลกก็คือ ติดกรรมมคุณอย่างหนึ่งกับติดโลกกระทำอย่างหนึ่งที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือโลกกระทำมานะครับครับอ อ, อลาภยศสรรเสริญนี่ครับล<ง>าภกรรมมาคุณสรรเสริญสุขครับใช่ครับกรรมมคุณหน้านี่ยังละได้ง่ายกว่า อ, อยังละได้ง่ายกว่าลาภยศโลกเ ส, เสงกินดลดเนี่ยนะฮะใช่ครับ อ, อ ถ้าดูถ้าดูลาภ ก, กาลลาภสการะสังยุตในสังยุตตนิกายนะครับก็จะเห็นชัดขึ้นคือพระพุทธเจ้าเคยจัดถึงว่าอัสมนาปราบบางพวกก็ละกรารมคุณไปแล้วแต่ว่าไปติดในลาบในยศในเสียงสรนเรินขนาดปอีตัวออกไปจากกรารมคุณแล้วนะใช่ครับก็ยังไปติดไปโลกธรรมใช่ครับ ไปติดในลาบในยศในเสียงสรรเสริญแล้ว ก, ก็พระพุทธเจ้าก็เน้นเน้นทั้งทั้งสังยุติเลยว่าให้เห็นโทษของลาบของยศของสรรเสริญสําหรับสมณะนะฮ ะ, ะให้เห็นให้มากๆเลยว่าเป็นของทารุณเพดทรอน ก, กุโตทาทารุโนทารุณเพด็จทรอนออควรจะละเสียในทํานองเนี่นะฮะอันนี้คือ ลาบยศเฉินเฉิญสุขใช่ครับสุขสุขที่มันเกิดจากลาบยศเฉินเริญนั่นแหละที่เกิดจากลาบยศสรินเฉิญเป็นความสุขที่ทารุณเป็นความสุขที่เพ็ดร้อนเผ็ดรอนถึงจะสุขแต่ว่าทารุณเพ็ดร้อนครับที่ยังที่ยังไม่เกิดก็ไม่ควรพยายามเพื่อจะให้เกิดอันนี้หมายถึงสมณะใช่ไหมฮะใช่ครับที่เกิดแล้วก็ควรจะละเสียอถึงถึงไม่ใช่สมณะก็ควรจะ เ อ, อเ ห, นเหอน็ น, นโทษของสิ่งเหล่านี้ด้วยเหมือนกันนะครับครับโทษของสิ่งเหล่านี้ด้วยเหมือนกันเฮ้ยมันถ้าถ้าที่ดูแล้วมันก็ถ้าอย่างนี้นะถ้าอาจารย์เราก็กายเนี่ยอาจจะปรีกออกมาจากกามาคุณได้ใช่ไหมไม่ไปหลงลูกเสียงกิ่นแล้วโพธิภอะไรแต่ว่าในด้านของอิทธารมเนี่ยส่วนมากก็ถ้ายัางฝักใส่กันอยู่อนะฮะก็ อย่างที่เรียนแล้วครับคือว่าเป็นสิ่งที่จิตต้องการครับจิตเข้าไปเซฟแล้วก็ต้องการทีนี้ก็ อ, อไม่ค่อยจะเห็นโทษของมันแต่ถ้าเป็นผู้ที่เห็นโทษอยู่ก็ไม่สู้กับะไรนะฮะอย่างที่ท่านใช้คำว่าอาทีนวทัสสาวีนิสเรณปัญโย ป, ปริพุนเฉติคือเข้าไปเกี่ยวข้องโดยการเห็นโทษ มีปัญญาในการที่จะสลัดออกหมายความว่าพร้อมที่จะสลัดออกถ้าเผื่อจำเป็นแต่ว่าถ้าเผื่ออย่า จ, จำเป็นที่จะบริโภคอยู่ใช้ซอยอยู่อะไรก็ใช้มันไปคือว่าวิธีหนึ่งที่ไม่ให้ติดโลกก็คือว่าตั้งใจไว้ว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้คือตั้งใจไว้ให้มั่นคงว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้ มีก็ใช้ประโยชน์เท่าที่ประโยชน์มันมีไม่มีก็เป็นประโยชน์อย่างที่มันไม่มี้าหาประโยชน์จากความไม่มีใช่ครับมีมีก็ไม่มีก็เป็นประโยชน์อย่างที่มันไม่มีก็าพิจารณาันตีประจัยหนตีปจจโยคือประจัยไม่มีไม่มีนี่ก็พิจารณาให้มันเป็นประโยชน์ว่ามันไม่มีก็ดีเหมือนกันอย่างอย่างนายโมนยะปฏิปทานะครับท่น ท่านถือว่าได้ก็ด uh ีไม like uh ่ได้ก็เป็นกุศลครับเคยคุยกับอาจารย์นะฮะครับครับได้ก็ดีไม่ได้ก็เป็นกุศลคิดอยู่เสมอว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็เป็นกุศลขอใช้คําบาลีนิดหนึ่งนะครับรัดถังยาดีดังสาธุนารัดถังกุศลังอิติ เออได้ก็ดีไม่ได้ก็เป็นกุศลออได้เพียงแต่ดีนะจันนะอถ้าเผื่อไม่ได้เป็นกุศลเลยที่เดียวเลยเป็นกุศลเลยจะตั้งใจอยู่เสมอคิดอยู่เสมออทีนี้เป็นผู้คงที่ในการได้และไม่ได้คงที่ในการได้หรือไม่ได้เหมือนกับคนที่เข้าไปใกล้ต้นไม้เมื่อไม่ต้องการผลและ ไม่ต้องการอะไรอะไรจากต้นไม้จะได้หรือไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนอันนี้คือข้อความในโมนยะปฏิปทานนะครับความหมายว่าเราไปอาศัยเสียงร่มเงาของต้นไม้ใช่ครับส่วนผลของมันนั่นจะได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ครับใช่ครับนี่ก็เพื่อประกอบเรื่องนี้ขอเล่าเรื่องเรื่องเด็กนิดหนึ่งครับอาจรับครับมีเด็กอยู่คนหนึ่ง